ตัวเองอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญสำรวจแล้วก็ไม่ร้อนใจบางคนสำรวจแล้วพบว่าอากุศลจานวนมากยังไม่ได้ละกุศลจำนวนมากยังไม่ได้เจริญคลุ่มใจนะมีกิเลสชื่อกุกุจระร้อนใจกระวนกระวายความช่วยยังไม่ละความดียังไม่ทำแต่กระวนกระวายใจอยู่เฉยๆฉยไม่ทำหรอก พวกเราใครเคยเป็นไหมรู้สึกอยากปฏิบัตินะร้อนใจแล้วรู้สึกหมูนี้ย่อหย่อนไปแต่ก็ยังหย่อนอยู่เนลุ่มใจโกโก้ขี้เกียจนนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรวิเศษะสะอาดหมดจดมันธรรมะเนโลกเต็มไปด้วยของโสโครกโสมมนาน า, น า, นานชนิดเกิดจากกิเลสทั้งหมดเลย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 วิธีล้างกิเลสนะขั้นแรกเลยต้องถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าบางทีกิเลสมันรุนแรงเราสู้มันไม่ไหวเดี๋ยวเราไปทำผิดศีลไม่ดีไปร่วงเกินคนอื่นเขาทำผิดศีลงี้นเราตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนนะกิเลสแรงไม่เป็นไรแต่ไม่ไปรุกรานคนอื่นเขาด้วยกายด้วยวาจาไปทำความผิดทางกายทางวาจาขึ้นมา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 รู้นี่สบายเป็นธรรมชาติบางทีจิตก็ไปรู้อย่างอื่นบางทีจิตก็มารู้จิตแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้มัแต่รู้อย่างอื่นอันนี้ไม่ทันอย่าไปจ้องไว้ที่จิตอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปตามธรรมชาติธรรมตาให้ตามองเห็นรูป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 แต่ฟังแล้วตื้นเหมือนที่พระนรินท์เคยพูดพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์บอกว่าปฏิจจสมบปบาทลึกนักแต่สำหรับข้าพระองค์แล้วปรากฏว่าเป็นของตื้นปรากฏเหมือนเป็นของตื้นตรงนี้เลยตีความได้สองแบบหนึ่งพระนรินท์เก่งมากเรื่องยากก็ดูง่ายอันที่สองพระนนท์ยังไม่เก่งเรื่องยากเรานึกว่าง่าย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 เห็นร่างกายมันสั่งตักอันนี้ใส่ปากร่างกายมันสั่งจิตใจใจมันสั่งให้ร่างกายทางานจะเดินไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมร่างกายมันเดินไปจิตมันสั่งดูไปดูไปนะม่เห็นแต่รูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆช่วยกันทำงานดูไปดูไปรูปธรรมนี้ไม่ใช่คนนามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่คน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 กินอาหารขับถ่ายเนยร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยใจเราเป็นแค่คนดูมันจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพาะตามองเห็นรูปเกิดความสุขตามองเห็นรูปเกิดความทุกข์ตามองเห็นรูปเกิดกุศลตามองเห็นรูปเกิดอกุศลเปลี่ยนไปเรื่อย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 ก้าจ้องสองตาเนี่ยมันจ้องอย่างอื่นแนละ้วมันควไปจ้องอยู่ที่จักรครูประสาทตว่าไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิเลสสิก็เพ่งอยู่เฉยๆกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยบางคนตามมองเห็นรูปจ้องอยู่ที่รูปจ้องอยู่ที่รูปอย่างดูพัดจ้องอยู่ที่พัดจ่องแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรนะจ้องนิ่งๆว่าไม่มีกิเลสก็ไม่มีสินะจักรครูวิญญาณจินไม่มีกิเลสนี่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 สัญญาที่วิปลาสหมายว่ามีเรามีอัตสัญญาหมายว่าเที่ยงเป็นนิจจะสัญญาหมายว่ามันเป็นสุขทั้งๆ ท, ที่จริงๆมันเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เป็นตัวทุกข์เราหมายว่าสุขมีสุขสัญญาจริงๆมันไม่สวยไม่งามหมายว่าสวยว่างามเป็นสุภาษัญญาอาศัยการหมายผิดๆนี่แหละทำให้เชื่อผิดๆทําให้คิดผิดๆ ไปหมายผิดผิดนะก็ทําให้มีความเห็นผิดมีความเห็นผิดนะจะพูดจะทำํำจะคิดอะไรก็ผิดไปหมดนะั้นเรามาดูของจริงดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูเขาทํางานได้เรื่อยๆไปเราเป็นแค่คนดูเห็นรูปธรรมนามธรรมนะเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงไปเห็นลึกซึ้งเข้าไปอีกรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีเหตุมีเหตุเตก็เกิดไม่มีเหตุไม่เกิด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 มันยินดีขึ้นอีชั้นก็ดิ้นรนอยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปงั้นเวลาเราดูถ้าดูได้สองชั้นได้เก่งดูได้หนึ่งชั้นก็เก่งแล้วดูสองชั้นเก่งมากกว่าเก่าดูชั้นที่1เนี่งเตามองเห็นรูปโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะขับรถอยู่เขาปาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นพารู้แล้วใจเราไม่ชอบความโกรธนี่เกิดปฏิกิริยาชั้นที่สองแล้ว เกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นแหละที่จิตปรุงขึ้นเองแล้วความรู้สึกนี้จิตปรุงขึ้นเองนะอารมณ์แรกอาจจะมาจากข้างนอกได้จิตกรยทบอารมณ์ภายนอกแล้วก็ปรุงความรู้สึกภายในขึ้นมาความรู้สึกภายในนเป็นอารมณ์ตัวใหม่จิตก็ปรุงความรู้สึกซ้อนเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันปรุงขึ้นจากภายในก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้า